ปัณกาปฏิปทานะคือข้อปฏิบัติไม่ผิดสามอย่างหนึ่งอินทรีสังวรสำรวมอินทรีหกคือตาหูจมูกลิน้นกายใจไม่ให้ยินดียินร้ายในเวลาเห็นรูปฟังเสียงดมกลิ่นลิมรส ถ, ถูกต้องอดทพะ รู้ธรรมรมด้วยใจสองโภชเนมัตัญยุตารู้จักประมาณในการกินอาหารแต่พอควรไม่มากไม่น้อยสามชากริยานุโยคประกอบความเพียรเพื่อจะชำระใจให้หมดจด จากกิเลสตัณหาไม่เห็นแก่นอนมากนะักนี่ถ้าหากว่าปฏิบัตินอกเหนือจากนี้ไปแล้วก็ชื่อว่าปฏิบัติพิษเช่นอย่างว่าไม่สำรวมอินทรีย์อย่างนี้ไม่มีสติระมัดระวังเวลาตาเห็นโลกเป็นต้นไปเกิดความยินดียินร้ายขึ้น กิเลสมันก็ไม่เบาบางไปสักทีบางทีก็ไปทำให้ได้ล่วงศีลล่วงวินัยก็เพราะความไม่สำรวมอินทรีย์หรือไม่มีสตินั่นเองแหละในที่นี้ไม่ได้หมายว่าห้ามไม่ใ ห, หมไมให้ดูอะไรทั้งหมดดูแบบมีสติสติตาสติหู ส ต, สติจมูกสติลิ้นสติกายสติใจนั่นอยนายตนภายในหกนี่ต้องมีสติกำกับอยู่ทุกอย่างเมื่อตาเห็นรูปก็มีสติรู้เท่ารูปนั้นหูได้ยินเสียงก็มีสติรู้เท่าเสียงนั้น จะูกได้สูตรกลิ่นก็มีสติรู้เท่ากลิ่นอันนั้นลิ้นได้รับรสอาหารอร่อยหรือไม่อร่อยก็มีสติรู้เท่ากายได้สัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็งอย่างไรก็ดีก็มีสติรู้เท่าใจ ได้รับรู้อารมณ์ท้งห้าอย่างนั้นอย่างใดอย่างหนึ่งก็ดีก็รู้เท่าไม่ยินดีในเมื่อเห็นรูปเป็นต้นเป็นที่น่ารักให้พอใจไม่ยินร้ายเวลาเห็นรูปเป็นต้นอันที่น่าเกลียดน่าชังก็ไม่เกลียดไม่ชัง มีสติประคองจิตให้เป็นปกติอยู่อย่างนี้ท่านเรียกว่าสำรวมอินชีการรู้จักประมาณในการบริโภคอาหารอันนี้ก็สำคัญมากเพราะว่าถ้าผู้ประกอบความเพียรผู้ฝึกตนนะไปเห็นแก่ปาาแก่ทอง เช่นนี้แล้วกินมุมมามไม่รู้จักประมาณท้องของตนบเนี่อาหารมันก็ทับทาดจะนั่งสมาธิภาวนาก็มีแต่ง่วงแต่งเงาหรือไม่ฉะนั้นไปบริโภคอาหารที่มีพิษเข้าไปอาหารที่แสลงต่อโรคภัย อันมีอยู่ในกายนั้นเน่ก็ทำให้โรคมันกำเริบขึ้นหาความสบายไม่ได้เลยนี่แหละอีกอย่างหนึง่งถ้าไปกินอาหารที่ถูกธาตุถ้ากินมากเกินไปอังกบำรุงร่างกายนี้แข็งแรงอ้วนท้วนขึ้นมากิเลตก็หลายขึ้น คึกขนองมากมันเป็นยังงานเรื่องมานนะอันสำหรับผู้ปฏิบัติธรรมแล้วมันก็ต้องกินอาหารแต่พอประมาณเนีพอดีพอดีไม่มากเกินไปไม่น้อยเกินไปพออยู่ได้พอมีเรียวเรงทำการงานอันคริหัสนั่นก็ แล้วก็รับประทานอาหารกันวันละสองมือสามมือนอแต่สำหรับนักบวชแล้วพระพุท ธ, เ, ธเจ้าพาฉันพัตตาหารเพียงมือเดียวคือว่าคาบเดียววันหนึ่งฉันคาบเดียวเท่านั้นก็อยู่ได้เพราะนักบวชนี่ไม่ได้ทำการงานอะไรหนักหนา มีแต่ทำกิจวัตรส่วนตัวเป็นส่วนมากกิจวัตรส่วนรวมก็ไม่มากเท่าไรนักเมื่อพร้อมเพียงกันทำแล้วมันก็ไม่หนักไม่หนาอะไรหมูนี่มันก็ต้องพิจารณากันเรื่องการบริโภคอาหารรวมความเรียกว่าให้พอดีพอดีอย่างนี้มันก็ ทำให้ร่างกายเป็นสุขสบายแล้วก็กิเลสก็ไม่มากในหัวใจเช่นราคะตัณหาอย่างเงี้ยก็ไม่มากเกินไปข้อสุดท้ายได้แก่การรู้จักประมาณในการหลับการนอนนอนไม่มากเกินประมาณอันนี้ก็ อย่าไปเข้าใจว่าไม่สำคัญถ้าบุคคลมามัวแต่หลับแต่นอนอยู่ก็ไม่ได้ประกอบความเพียรประสะสมกิเลสไว้ในใจนั้นให้มากขึ้นเลยๆกิเลสไม่ได้เบาบางออกไปจากกิจเลยเพราะการที่กิเลสมันจะเบาออกไปได้ก็เนื่องมาแต่ฝึ ก, กจิตให้สงบ ตั้งมั่นลงไปต่อบุญต่อคุณเมื่อจิตตั้งมั่นลงไปแล้วปัญญามันเกิดขึ้นปัญญานั่นแหละจึงมาสอนจิตให้เบื่อให้นายต่อกีิเลสตัณหาให้เห็นโทษแห่งการามคุณเมถุนสังโยชน์สิ่งเหล่านี้แหละมันพาให้ดวงจิตอันนี้ข้่องอยู่ในโลกสงสารอันนี้ เที่ยวตายเที่ยวเกิดถ้าหากว่าไปลุ่มหลงทําบาปทําความชั่วเข้าไปบะ น, นี่มันไม่ใช่เที่ยวตายธรรมดานะวันนี้นะ่นะตายแล้วไปตกนรกอาบายภูมินุนทนทุกข์ทรมานถ้าหากว่าไม่ได้ทําบาปทํากรรมแต่ว่าก็ยังห่วงรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัส อันเป็นที่น่ารอกไข่พอใจในโลกนี้อยู่อา้าทำความดีอะไรบุญกุศลมันก็อำนวยผลให้มาเกิดเป็นคนขึ้นมาแล้วก็มาหลงมาเม า, ม า, ม, ามาเพลินอยู่ในราบในยศนี้บุคคลผู้ไม่เห็นโทษแห่งกรรมคุณนะ่ะอันนี้ก็ได้รับความท้าใจกับลาบกับยศอันนี้แหละมีเงินทองเข้าของมา มากมากแล้วก็ต้องรักษารักษาอย่างไรก็ไม่ไหวเดี๋ยวโจรก็มายื้อมาแย่งเอาไปก็มีไฟไหม้ไปก็มีน้ำท่วมไปก็มีอ่าหมู่นี้เลยมันเต็มไปด้วยภัยพิบัติอันตรายเมื่อมีสมบัติเข้าของมาก็ว่าบุญน่าตกแต่งให้ แต่บุญชั้นนี้มันไม่ใช่กิรังยั่งยืนมันก็เอออาจจะเกิดภัยพิบัติเมื่อไรก็ได้ <c oughs> มันเป็นอย่างนั้นอันบุคคลผู้เข้าใจผิดมาหลงติดอยู่แต่ในรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสไม่ภาวนาทำใจให้สงบงจากอารมณ์เหล่านี้เลย แต่ละวันแต่เว ล, ล, เวลาแต่ละนาทีจิตใจก็แช่อยู่ในรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสเหล่านี้ทมความยินดีพอใจอยู่อย่างนั้นเมื่อเป็นเช่นนี้บุญมันก็ยอมตกแต่งให้ยินดีพอใจอยู่ในรูปเป็นต้นอย่างว่านั่นแหละเลเื่อยไปแหละชาติใดพบใจก็ดี เกิดมาชาติใดก็จะมาผูกพันอยู่แต่กับสิ่งเหล่านี้มันในที่สุดมันก็ไปถึงปริพาน์ไม่ได้เลยอดี๋ยวกเวียนอยู่อย่างนี้ ถ, ถ้าบางชาติหลงไหลก็อย่างว่านั่นแหละก็ทำบาปกรรมไปตายแล้วก็ไปตกนรกต้นก็พระพุทธเจ้าทรงสอน ให้พุทธบริษัทพิจารณาหเห็นโทษแทงกรามาคุณโดยอาการดังกล่าวมานี่นะอย่าไปเห็นแต่ว่ามันดีมันเมื่อมีเงินมีทองมากๆกแล้วสนุกใช้สนุกใจมันก็สบายดีไปเห็นแค่นั้นนะเห็นแต่คุณของมันไม่เห็นโทษของมันอย่างนี้มันก็ไม่รอบครอบอะ่ะแตเมื่อเวลามันทำพิษเข้ามาแล้วเอาแล้ว เดือดร้อนใหญ่เป็นอย่างนั้นดังนั้นทุกคนก็ต้องภาวนาอย่าไปเกียดคร้านไปเห็นแก่หลับแก่นอนเพราะว่ากิเลสมันยังดองอยู่ในจิตใจนั่นไม่ใช่ว่ากิเลสมันหมดไปแล้วเมื่อไหรอ่ะถ้ากิเลสมันหมดไปแล้วเราก็ไม่ต้องมาเกิด มาใส่รูปนามอันไม่เที่ยงไม่ยังยืนนี่อยู่ก็ท่านก็เรียกว่าบรรลุถึงซึ่งพระนิพพานบุคคลเลยละกิเลสหมดไปแล้วนะดังนั้นให้พากันรู้ตัวว่าเหตุที่ตนมาเกิดเป็นคนอยู่ในโลกอ น, นี้แสดงว่ามันยังมีกิเลสกรรมวิบากติดตามมานำมา ให้เกิดอีกตรงอย่างนั้นออะไรเราที่จะมากําจัดกิเลสนี่ให้มันหมดไปสิ้นไปจากกิจใจได้ก็บุญกุศลอย่างที่เคยแสดงมาแล้วนั่นเนี่ยนอกจากบุญกุศลแล้วไม่มีไม่มีอนุภาพสิ่งใดที่จะมากําจัดกิเลสนี่ให้เบาบางหรือหมดไปสิ้นไปได้ เช่นอย่างว่าการให้ทานอย่างนี้นะมันก็เป็น ก, รการกําจัดความโลภความตณีออกจากดวงกิจนี้ไปนี่ลองสังเกตดูทีนี้เมื่อบุคคลไม่ไม่ยินดีในการบริจาคทานได้อะไรมาแนละ้วก็มาสะสมเอาไว้สะสมเอาไว้คราวนี้มันก็ห่วงเลยบัดนี้นะห่วงแล้วก็กลายเป็นห่วงไป ใจก็ผูกพันอยู่กับแต่สมบัติอันนั้นไปเรื่อยๆออเมื่อจวนจะตายจิตใจก็ไปไหนไม่ได้ก็พุ่งไปหาทั้งแต่ของรักของชอบใจที่ตนผูกพันมาแล้วแต่เวลายังมีชีวิตอยู่น่เพราะฉะนั้นเมื่อตายลงอย่างนี้จิตจะไปสวรรค์ไปนิพพานที่ไหนได้ล่ะมันก็วบเพียนอยู่กับสิ่งที่ตนหวงแหนนั่นแหละ ทีนี้ถ้าหากว่าตนได้รู้จักแบ่งสรรปันส่วนใช้สอยทรัพย์สมบัติเหล่านั้นให้มันเป็นแล้วเชนนี้มันก็หายห่วงไปเช่นสมบัติส่วนได้ที่แบ่งออกไว้ทำบุญให้ทานไปมันก็เป็นบุญนิธิของผู้นั้นผู้นั้นก็รู้สึกอยู่ในใจเสมอว่าตนได้ทำทานมา ตนได้สละของรักของชอบใจให้ทานไปนี่อย่างนี้เลยียแล้วบุญนั้นมันก็ฝังอยู่ที่จิตนั่นแหละไม่ไปที่ไหนท่านจึงเรียกว่าบุญนิทิส่วนใดที่เราได้จำแนกแจ ก, กใจเลี้ยงครอบครัวก็ทำให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขไปส่วนใด ที่เสียภาษีอากรให้แก่รัฐบาลอย่างนี้รัฐบาลก็เอาไปจัดตั้งเป็นงบประมาณขึ้นมาจัดให้จังหวัดนั้นบ้างจังหวัดนี้บ้างเอาไปพัฒนาในจังหวัดของตนเช่นถนนนุนทางนิษะน้ำอ่างเก็บน้ำอะไรมุนี ช่วยชาวนาชาวสวนให้ได้ปลูกพืชพันธุ์ต่างๆไปได้มุนี่นั่นแหละเงินที่เสียภาษีอากรไปมันก็ย้อนกลับมาหาผู้เสียภาษีอากรนั่นเองหรือว่าเฉลี่ยช่วยเพื่อนที่ยากจนคนแค้นนั้นไปอันส่วนใด ที่ตนได้ทําบุญกุศลให้ทานไปเพื่อเจตนาอุทิศส่วนกุศลให้แก่บรรดาญาติทั้งหลายมีมารดาบิดาเป็นต้นส่วนนั้นก็ชื่อว่าได้เป็นการตอบบุญแทนคุณท่านผู้มีอุปการะคุณทั้งหลายมีมารดาบิดาเป็นต้นที่ล่วงลับไปสู่ปราดรกเบื้องหน้านั้น นี่บุญนี่คุณก็จะเบาบางไปจากตนอีกอย่างหนึง่งถ้าบุญกุศลนั้นไม่สามารถที่จะอำนวยผลให้แก่ผู้วายชนไปก็จะกลับมาเป็นกุศลสมบัติของตัวเองไม่สูญหายไปไหนส่วนใดที่ได้เก็บฝากธนาคารไว้ ส่วนนั้นอนะ่ะเมื่อมีภัยพิบัติอะไรเกิดขึ้นเช่นอย่างว่าโจรปล้นในบ้านอย่างนี้นะมันเขาก็าดได้แต่สิ่งของอื่นไปส่วนเงินทองก็อยู่ในธนาคารก็ไปเบิกเอาเงินทองแล้วนะมาใช้แทนที่เสียไปอย่างนี้และเมื่อเวลามีคดีอะไรเกิดขึ้นถูกเขาฟ้องร้องเอา เช่นนี้เมื่อไม่มีเงินทองก็ต้อ ง, งต้องติดคุกแน่นอนไม่มีเงินทองจะไปสู้คดีกันในทางศาลมันก็เป็นอย่างนั้นแหละคุณค่าของเงินถ้าบุคคลใดสเสวงหาได้มาแล้วไม่หวงเห็นไว้บริโภคเฉพาะผู้เดียวรู้จักแบ่งสรรฝันส่วนชาสอยเช่นนี้มันก็เกิดประโยชน์ทั้งในปัจจุบัน และประโยชน์ในภายภายภาคหน้าด้วยส่วนใดที่ให้ทานไปส่วนนั้นก็เป็นประโยชน์ทั้งในปัจจุบันและภายภาคหน้าปัจจุบันนี้ก็ทำให้จิตใจเป็นสุขสบายดีนั่นแหละคนมีบุญนี่เป็นคนใจเยือกเย็นใจสบายหนักแน่นซึ่งตรงกันข้ามกับคนมีบาปคนมีบาปนี่เป็นคนใจร้อน ใจโลละไม่หนักแน่นแล้วก็ใจมัวหมองเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยขึ้นชื่อว่าบุญบุญเนี่ยจึงเป็นสิ่งที่ควรทำมันมีประโยชน์กว้างใหญ่ไพศาลจริงๆเงินทองนะบุคคลเมื่อหาได้มาแล้วนะเมื่อมาพิจารณาเห็นว่า ถ้าเขินเก็บไว้แล้วตนตายลงไปแล้วก็ตกเป็นของคนอื่นไปไม่สำเร็จประโยชน์แก่ตนไปในภายภาคหน้าผู้ใดคิดเห็นอย่างนี้แล้วมันก็ไม่ได้ถวงแหนไม่ได้สะสมไวอือจนว่าไม่ยอมใส้สอยเท่าที่ควรเลยอย่างนี้มันก็ทำได้เพราะฉะนั้นและจึงว่า การให้การบริจาคทานนี่นะมันก็เป็นทางพ้นทุกข์สายหนึ่งให้เข้าใจก็เมื่อเมื่อไม่ได้เกอดใด้คล้องอยู่ในโลกนี้แล้วถ้ายังไม่ถึงพระนิพพานก็ไปสวรรค์ก็ไปเสวยผลบุญกุศลอยู่ในสวรรค์นั้นมีความสุขยิ่งกว่า ทุกอยู่ในมนุษย์โลกเรานี่หลายร้อยเท่ามันเป็นอย่างนั้นนี้การรักษาสินมันก็เป็นเครื่องกมจัดทุกขในอบายภูมิทั้งสี่ว่าตรงๆเลยทีเดียวเพราะเมื่อบุคคลมีสินไม่ฆ่าสัตว์ไม่รักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในกามไม่กล่าวมุสาวาท รือไม่พูดเท็จพูดแต่คำจริงไม่ดื่มสุราไมรไรกัญชายาฝิ่นเฮโรอีนผู้ดใดเว้นความชั่วห้าประการนี้ได้แล้วก็เป็นนั้นว่าปิดประตูอาบายภูมิทั้งสี่มีนรกเป็นตนตายแล้วไม่ได้ไปตกนรกอย่างที่ว่านั่นนะความทุกข์ในนรกนะ่ะมันแสนทุกข์ทนทรมาน ยิ่งกว่าที่ความทุกข์ที่ปรากฏอยู่ในโลกนี้เจ้าเทียบกันไม่ได้เลยตามที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้น่นเพราะว่ามนารกนั่นมันเต็มไปด้วยน้ำร้อนไม่ใช่เป็นน้ำเย็นน่ะมนรกน้ำเย็นก็มีเย็นจนว่าร่างกายผุพังไปเย็นก็เกินขอบเขตไป ร้อนก็นจนว่าทำให้ร่างกายของสัตว์นรกเปื่อยเน่าผุพังไปแต่เมื่อบาปไม่สิ้นก็กลับเกิดมาอีกอยู่อย่างนั้นแหละนั่นเพราะฉะนั้นจึงว่ามันเป็นทุกข์หลายพระพุทธเจ้าทรงเอ็นดูสัตว์โลกทั้งหลายจึงได้ทรงแนะนำสั่งสอนให้ลาเว้นจากความชั่วห้าประการนี้ให้ได้ ก็จะได้พ้นจากทุกข์ในอบายภูมิทั้งทีมีนรกเป็นต้นอย่างที่ว่ามานั่นถ้าใครยังไม่ได้ตั้งอกตั้งใจว่าจะละกรมชั่วห้าอย่างนี้แล้วผู้นั้นก็กําลังเดินทางไปสู่นรกแน่นอนทีเดียวกําลังแหละกําลังเดินทางไปสู่นรก ดังนั้นขอได้พากันพิจารณาให้ดีการใช้ปัญญานี่นะพิจารณาเนี่ยมันถึงเห็นนะมันจึงรู้ถ้าคนขาดปัญญาแล้วเมื่อท่านแสดงเรื่องนรกให้ฟังอย่างนี้ก็มองไม่เห็นในใจเลยก็ไม่เชื่ อ, โ, อโกหกกันหรอกเพราะวะ่นานรกที่ไหนจะมีอยู่นั้น ก็ถ้าว่ามีก็มีอยู่แต่ในเมืองมนุษย์นี่ได้แก่คุกคาตารางนั่นเท่านั้นเองรกในเมืองผีไม่มีก็เมื่อบุคคลมาขาดปัญญาท่าอย่างเดียวแล้วมันก็ขาดความดีทุกอย่างเลยทำความดีไม่ได้ ขาดความเชื่อในพระปัญญาตรัสรูของพระพุทธเจ้าอย่างนี้ก็เอาตัวรอดจากทุกข์ไม่ได้เลยก็ไ อ, เ, อ, เ, อเรื่องนรกเรื่องสวรรค์มันนี้มันก็อาศัยพระปัญญาตรัสรูของพระพุทธเจ้านั่นเองเนี่ย อาศัยพระปัญญาตัดสู้ของพระพุทธเจ้านั่นเองเนี่ยที่พระองค์จะนำมาแสดงได้ถ้าพระองค์เจ้าไม่ได้ตัดสู้แจ้งไม่ไม่สามารถละอาสวะกิเลสให้ขาดจากสันดานได้นี่พระองค์จะไม่ได้นำเรื่องสวรรค์เรื่องนรกนเนี่มาแสดงให้พุทธบริษัททั้งหลายฟังเลย เนี่ยบรรดาพุทธบริษัททั้งหลายก็มาเชื่อพระปัญญาจัดสรูของพระพุทธเจ้าดังกล่าวมานี่นยะก็จึงเชื่อว่านรกมีจริงสวรรค์มีจริงผู้เช่นนั้นแหละจึงเว้นบาปได้ขอให้พิจารณาดูเหตุผลดังกล่าวมานี่ถ้าหากว่า ไม่ไม่เห็นอย่างว่านันตะก็ลลกบาปไม่ได้จริงๆนะแต่ถ้าผู้มีปัญญาแล้วนะมันก็มองเห็นบาปในปัจจุบันนี่แหละไม่ไม่จำเป็นต้องไปคอยสัมผัสกับบาปในชาติหน้าต่อไปแล้วก็อัตภาพร่างกายอันนี้นะบุญบาปนั่นแหละมาตกแต่งให้ ไม่ใช่อย่างอื่นใดถ้าว่าไม่ใช่บุญบาปมาตกแต่งให้เมื่อมันเกิดมามันก็เหมือนเหมือนกันหมดแหละไม่แตกต่างกันเลยลองสังเกตดูผู้ใดมีบาปติดตัวมาตกแต่งร่างกายนี้ให้ร่างกายนี้ก็วิบัติชำรุดทุดซมไม่แข็งแรงบกพร่อง มีโรคไัยอันร้ายแรงบีบคั้นเบียดเบียนเอาเช่นโรคคีโูดกุฏถังมะเร็งวันนาโรคหมูนนี้โรคเอดสำหรับสมัยปัจจุบันนะก็ล้วนแต่เป็นโกกรคกรมโรคเวททั้งนั้นโรคหมูนนี่นะหมอก็หมดปัญญารักษาไม่หาย นี่ก็มองเห็นได้จะชัดอยู่ไม่ใช่เหรือนี่ระบาปกรรมมันแต่งเอาบั น, นี้ผู้ที่มีร่างกายสมบูรณ์ไม่บกพร่องไม่มีโรคภัยอันร้ายแรยงร เ, รงรเรงบียดเ บ, บียนอย่างที่ว่ามานั้นถึงว่ามีโรคภัยเบียดเบียนก็เป็นไปาตามฤดูกาลเล็กๆน้อยๆเมื่อรับประทานยาเข้าไปแล้วก็หายไป เช่นนี้นี่ <c oughs> แสดงว่าผู้นั้นไม่มีบาปติดตัวมาตกแต่งให้ร่างกายเนี่ยบุญมาดี้บุญติดตามมาตกแต่งร่างกายนี้ให้ก็จึงได้มีร่างกายแข็งแรงเป็นปกติตาก็ไม่เสียหูก็ไม่เสียจมูกก็ดีอลิ้นก็รับรสอาหารได้ดีร่างกาย อวัยวะด้อยใหญ่ทุกส่วนก็ดีออไม่วิบัติเอแถมก็ยังสวยงามอีกด้วยผิวพรรณวันละเปล่งปลั่งอีกด้วยสวดชงก็ดีด้วยหมู่นี้นะมันก็ร่วนตั้งแต่บุญอะไรตกแต่งให้ือถ้าบาปตกแต่งให้ก็ยังว่ามันขี้ร้ายขี้เละไม่น่าดูไม่น่าชม อันโมเนี่ยทำไมจึงจะไม่เชื่อว่าบาปมีบุญมีแล้วนั่นไงพระพุทธเจ้าทรงชี้แจงแสดงให้ฟังไว้แล้วแต่เมื่อบุคคลใดไม่เชื่อก็เป็นกรรมของผู้นั้นเท่านั้นแหละโทษอะไรจึงมีร่างกายทุกพลภาพดังกล่าวมานั้นก็โทษเบียดเบียนสัตว์นั่นแหละทุบตีมันตดเลือดตกยางออก ทรมานมันไม่ให้มันกินอาหารอแม้มันกินน้ําอะไรหพวเนี่ยแล้วก็นไม่ซ้ำจับไปฆ่าซ้ําเลยชาแหละเนื้อมากินอพวกนี้ยแล้วจะไม่ให้กรรมเวนอันทํำทรมานสัตว์เบียดเบียนสัตว์ฆ่าสัตว์อันนี้เนี่ยมันติดตามมาสนองเอาอย่างไรแล้ว สัตว์ทั้งหลายมันก็เป็นทุกข์เหมือนกันนี่ตนไปทําให้มันเจ็บมันปวดทําให้มันสะดุ้งวาดกลัวเต็มที่เลยอย่างนี้นะแล้วกรรมนั้นมันจะไม่ตามสนองให้เป็นทุกข์อย่างไรแล้วนั่นต้องพิจารณาให้ดีๆคนเรานะ่ะต้องเพ่งพิจารณาให้ละเอียดถี่ถ้วนจริงๆอย่าพิจารณาเพียงผิวเผิน แม้สิ่งของของคนอื่นเขาก็หวงก็เห็นถ้าไปจี้ไปปล้นไปลักเอาของของเขามาเขาก็เป็นทุกข์เขาก็ไม่มีจะใช้จะจ่ายออย่างนี้นะเมื่อไปทําให้เขาทุกข์อย่างนั้นแล้วแล้วกรรมนั้นมันจะไม่ตามมาสนองให้พวกนั้นเป็นทุกข์นี่มันเป็นไปไม่ได้อมันเป็นไปไม่ได้ ถ้าอย่างนั้นโลกอันนี้มันก็ไม่มีคือไม่มีแปลไม่มีระเบียบอะไรเลยเลยผู้ใดมีอำนาจก็เลยจะข่มเหงผู้ไม่มีอำนาจนั้นไปขมเหงไปแล้วเบียดเบียนไปแล้วก็ไม่เป็นไรผู้นั้นยังเป็นสุขสบายดีอยู่ไปเกิดชาติใดพบใดก็สบายอยู่เงี้ยผู้ใดเป็นทุกผู้ใด แน่นอนแหละต้องเป็นไปไม่ได้แน่นอนเลยอืถ้าหากว่ามันเป็นอย่างนั้นพระพุทธเจ้าก็ไม่ได้นํามาแสดงเลยว่าเมื่อบุคคลใดทําบาปเบียดเบียนบุคคลอื่นสเดื่นตายแล้วก็ไปตกนรกอบายภูมิอันนี้มีอยู่ในตาําราจริงๆเนี่ยถ้าใครไม่เชื่อก็ไปเปิดดูได้เลยตลานะนะํารานั่นนะก็เป็นอย่างนี้แหละดังนั้นจึงว่าอันผู้รักษาศีลนี่นะ่ะ เมื่อไปตั้งเจตนาวิรัต์ละเว้นจากบาปกรรมความชั่วต่างๆดังกล่าวมานั่นได้แล้วอย่างนี้ผู้นั้นก็ไม่มีบาปติดตัวตายแล้วก็ไม่ได้ไปตกนระกอบายภูมิสีเลนะุขติงยันติผู้มีศีลบริสุทธิ์และจะไปสู่สุคติโลกสวรรค์ถ้ายังไม่ถึงพระนิพพานก็ดีพระพุทธเจ้าก็ทรงสแสดงไว้อย่างนี้นะ ใครจะเชื่อก็ตามไม่เชื่อก็สร้างพระองค์เจ้าแสดงไว้อย่างนี้ถ้าใครเชื่อทําตามก็มีหวังได้ไปสวรรค์แน่นอนเป็นอย่างนั้ น, น, นมเมื่อไปสวรรค์แล้วก็ได้ชื่อว่าพ้นทุกข์ในอบายภูมิไม่ได้ไปตกนรก<ม>นี่ข้อปฏิบัติในพุทธศาสนานี่นะอท<ม>ี่พระพุทธเจ้าแนะนําให้พุทธบริษัทลงมือปฏิบัติตามนั้นพระองค์อยากจะให้พ้นทุกข์ อยากจะให้ได้รับความสุขยิ่งยิ่งขึ้นไปจนตราบเท่าถึงความสุขในพระนิพพานวันนี้ผู้ที่จะบรรลุถึงซึ่งความสุขในพระนิพพานได้นั่นจะเพียงแต่แค่ให้ทานรักษาศีลเท่านี้ยังไม่พอไปนิพพานไม่ได้เลยเก็ต้องภาวนาเลยก็ต้องเจริญสมรมะ และวิปัสนาให้แก่กล้าขึ้นในจิตใจของตนจนเรียกว่าให้สมบูรณ์บริบูรณ์นั่นลหละไปที่ท่านกล่าวว่ามาัคคาัสมังคีเนี่ยเอาสินก็รวมลงสู่จิตนั้นนั่นแบบ น, นี้ตัวสินแท้ๆแล้วมันอยู่ที่ตัวจิตตั้งเจตนาวิรัตละเว้นจากการเบียดเบียน ซึ่งกันและกันดังกล่าวมานั่นสมาธิก็รวมลงที่จิตนั้นฝึกจิตให้ตั้งมั่นลงไปแล้วปัญญาก็เกิดจากสมาธินั้นนี่เมื่อปัญญาเกิดจากสมาธินั้นแล้วปัญญาก็ไปสอนจิตอีกทีหนึ่งปัญญาก็สอนจิตให้ ละความยึดมั่นถือมั่นในขันธ์ห้าว่าเป็นตัวเป็นตนอย่างนั้นอันนี้เรียกว่าเป็นปัญญาขั้นสูงปัญญาขั้นต่ำนั้น่ะสอนจิตให้รู้จักทาบุญบริจาคทานได้แล้วปัญญาขั้นกลางสอนจิตให้รักษาศีลในบริสุทธิ์ได้ดังแสดงเรื่องศีลมานั่นแหละ ก็ต้องอาศัยปัญญาผู้ที่จะรักษาศีลให้บริสุทธิ์ได้นั่นนะคนไม่มีอุบายปัญญาสอนจิตตัวเองแล้วมันรักษาศีลไม่ได้หรอกขอให้เข้าใจวันนี้เมื่อเมื่อมีเมื่ออบรมปัญญาสองอย่างนั้นให้เกิดมีขึ้นได้แล้วก็ยังปัญญาขั้นสุดท้ายนี่แหละ ให้พยายามฝึกใจให้สงบลงบัิปัญญาประเภทนี้มันต้องเกิดจากความสงบใจนะเมื่อใจไม่สงบแล้วปัญญานี่เกิดไม่ได้เลยเมื่อใจสงบลงไปแล้วอย่างนี้มันผ่องใสเบิกบานความรักก็ไม่ปรากฏอยู่ในใจนั้นความเกลียดความชังความไมา่ยบัด จองเว้นบุคคลอื่นและสัตว์อื่นก็ไม่มีอยู่ในใจนั้นนั่นอยู่ในใจที่กําลังสงบอยู่นั่นน่ะบัดนี้ความอ่อนแอท้อแท้ใจความอ่อนแอท้อแท้ร่างกายมีแต่ความหดหู่ใจความอ่อนแอทางร่างกายง่วงเหงาหาวนอนนี่ก็ไม่มีในขณะนั้น แล้วใจก็ไม่ได้พุ่งซ่านเลื่อนลอยไปทางอื่นสงบนิ่งอยู่ภายในความสงสัยลังเลในเรื่องบาปบุญคุณโทษนะต่งางๆก็ไม่มีไม่ปรากฏอยู่ในใจนั่นอันนี้ลหละเรียกว่า ก, กิเลสอันเป็นข้าศึกแก่สมาธิมันดับลงไปแต่ว่ามันก็ไม่ดับขาดหรอกแต่มันสงบลง มันไม่มารบ ก, กวนจิตใจใจจึงได้สงบจึงได้ผ่องใสมเมื่อใจผ่องใสแล้วคิดนึกถึงเรื่องอะไรก็เรื่องนั้นก็ปรากฏขึ้นในใจเจ่มแจ้งขึ้นมา ม, มันเป็นอย่างนั้นเป็นคิดนึกดูรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอย่างนี้นะ เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็ปรากฏในใจนั่นโดยแจ่มแจ้งแต่ว่ามันก็ต้องอาศัยกันดูตำหรับตำราบ้างนะมันจึงเข้าใจลักษณะอาการของขันห้านี้ได้ถ้าไม่ได้ดูตำหรับตำราบ้างหรือไม่ได้ฟังท่านชี้แจงรายละเอียดให้ฟังบางคนก็ไม่เข้าใจเลยนะ เท่าที่ได้สังคมมาแล้วเทสให้ฟังว่าให้พยายามปล่อยวางขันห้านี่อย่าไปถือมั่นว่าเป็นตัวเป็นตนอ้าขันห่านี่คืออะไรบ้างเพราะว่ายังย้อนมาถามอยู่หนึ่งที่นะก็เคยอธิบายชี้แจงให้ละเอียดแล้วออกมาแล้วนะอ ก็จําเป็นก็ต้องอธิบายอีกนั้นเนี่ยเพราะมันหลายคนฟังคนหนึ่งได้ฟังแต่คราวก่อนนู่น อ, อีกคนหนึ่งยังไม่ได้ฟังเลยป่ะนี้เขาก่อนนู่นนะก็เพิ่งมาได้ฟังคราวนี้อย่างนี้นะดังนั้นเน่ยมันก็จำเป็นต้องได้อธิบายที่แจงออกไปว่รูปร่างกายอันนี้ที่มันมีลักษณะอาการต่าง เช่นลักษณะของผมขนเล็บฟันหนังเป็นต้นเหล่านี้นะมันอาศัยบุญกรรมตกแต่งให้อย่างตาอย่างนี้ลักษณะของตามันเป็นรูปร่างอย่างนั้นแล้วมันก็มันมีแสงสว่างออกจากตานั่นเมื่อตาไม่วิบัติแล้วก็พอลืมตาขึ้นก็มองเห็นวัตถุสิ่งของอะไรทออะไร หูอย่างนี้ก็บุญตกแต่งให้ให้มีแก้วหูสําหรับอรับเสียงได้ยินเสียงที่ดังมาแต่ภายนอกก็บุญนั่นแหละตกแต่งใหนะ้จมูกอย่างนี้ก็บุญตกแต่งให้ไม่ให้วิบัติสูดดมกลิน่นหอมกลิน่นเหม็ น, มนอะไรได้ทั้งนั้นเลยอืลิ้น บุญตกแต่งให้มาสำหรับรับรู้รสอาหารที่เอาใส่ปากเข้าไปเคี้ยวอยู่นั่นก็ลิ้นแหละเป็นผู้รู้จักรสอร่อยหรือว่ารสม่อร่อยอย่างนี้นะคราวนี้อวัยวะร่างกายน้อยใหญ่ทุกส่วนอันนี้ถ้าบุญตกแต่งให้มันก็มีครบ อาการสามสิบสองนั่นแหละมีครบเลยทีเดียวถ้าหากว่าบาปตกแต่งอย่างนี้มันจะไม่ครบมันจะขาดตกบกพร่องอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นอย่างนั้นนี่นะการเจริญปัญญาวิปัสสนาเราต้องใช้ปัญญาเพ่งพินิพิจารณาแยกแยะ ดูรูปกายอันนี้สะกก่อนเบื้องต้นนี่น่ะให้มันเห็นแจ้งว่าไอ้รูปกายอันนี้ยทําไมมันถึงแตกต่างกันนี่ให้มันรู้ชัดว่านี่แหละอํานาจของบุญแลบาปที่แต่ละบุคคลทําออกมาติดเช่ก่อนมันติดตามมาตกแต่งให้เราจะไม่ได้สงสัยลังเลวะนี่นะเอจริงทีเดียวถ้าถ้าไม่ใช่บุญบาปตกแต่งให้รูปร่างกายอันนี้มันก็เหมือนกันหมดแหละ มันจะไม่แตกต่างกันเลยนี่ก็เป็นความจริงอันหนึ่งเนี่ยรูปอันนี้ถึงแม้ว่าบุญกรรมจะตกแต่งให้อย่างไรบุญกรรมที่มาตกแต่งรูปอันนี้มันก็ไม่เที่ยงเหมือนกันนี่ต้องรู้เมื่อบุญกรรมอันมาตกแต่งรูปอันนี้ไม่เที่ยงแล้วรูปอันนี้มันจะเที่ยงมาแต่ไหนมันก็ไม่เที่ยงแรับ เมื่อไม่เที่ยงแล้วมันเป็นไงอ่ะมันก็ปลปวนไปอ่ะมันก็นิ่งนิ่งอยู่ไม่ได้อ่ะเดี๋ยวก็ร้อนเดี๋ยวก็หนาวเดี๋ยวก็เจ็บต้นโวดนี่อะไรต่ออะไรไปอยู่งั้นลหลอความที่มันเคลื่อนไหวไปมาไม่อยู่ไม่หย่างนั้นแนะมันคือลักษณะของความทุกข์ของรูปอันนี้การที่บังคับไม่ได้ไม่เป็นไปตามใจหวังนั่นแหละคือว่ารูปนี้ไม่ใช่ของตนไม่ใช่ของใคร ไม่อยู่ในอำนาจของบุคคลผู้ใดนี่ต้องรู้แจ้งตลอดเลยตามความเป็นจริงเมื่อรู้ส่วนรูปแล้วก็มารู้ส่วนนามส่วนนามรรมาทำคือเวทนานี่แปลว่าจิตสวยอารมณ์นี่คำว่าเวทนานี่นะมันเกิดจากสัมพัท์คือว่าจิตกับกายนี่แหละกระทบกันเข้าเมื่อร่างกายนี้เป็นปกติความรู้สึก ของจิตที่มีต่อร่างกายนี่มันก็เป็นปกติไปเมื่อมันเป็นปกติเราก็ถือว่ามันมีความสุขอย่างนี้แหละสุขกายสาบายใจเหมือนว่าคราวนี้ถ้าว่ารูปร่างกายนี่มันวิบัติลงธาตุสี่นี่ไม่ปองดองสามัคคีกันมันวิบัติลงอย่างใดอย่างหนึง่งอย่างนี้นะเช่นว่า ธาดไฟวิบัติลงอย่างนี้ไฟมันน้อยไปอย่างนี้มันก็ย่อยอาหารไม่เพียงพอย่อยอาหารให้ละเอียดไม่ได้อาหารก็เน่าบูดอยู่ในกระเพาะก็ทำให้ปวดท้องขึ้นมาแล้วนี่แหละมันก็ไปกระทบกับจิตนั่นแหละเมื่อไอ้กระเพาะลาไส้มันวิบัติลงก็ไปกระทบกับจิตนั้นจิตก็รู้สึกไม่สบาย เราต้องกระสับกระสายเป็นอย่างนั้นทีนี้ลองวาดภาพดูว่าถ้าไม่มีจิตอาศัยอยู่นั่นนะมันจะเป็นอาหารที่แสลงหรือไม่แสลงอะไรรทั่เาใส่เข้าไปในนั้นมันจะไม่กระวนกระวายอะไรเลยอ่มันจะไม่ไม่รู้ว่ามันแสลงหรือไม่แสลงเลย มันก็เฉยเฉยอยู่ในรูปนี้นะถ้าว่าจิตนี้ออกไปจากร่างนั้นแล้วเป็นอย่างนั้นเอเมื่อจิตนี้ยังอาศัยในร่างนั้นเมื่อรูปนี้มันแปรปรวนลงไปมันก็กระทบกับจิตจิตก็วันไหวตกลงว่าเลยเป็นทุกข์ทั้งกายทั้งใจนี่มันเป็นอย่างนั้นเรืองมันนะเราเรียกท่านก็บัญญัติว่าทุกขเวทนาแปลว่าจิตสวยอารมณ์มันเป็นทุกข อืมสัญญามันก็จําสุขจําทุกข์นั่นเองเนี่ยไม่ใช่อย่างอื่นหรือว่าจำรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสต่างๆนี่เป็นหน้าทีของสัญญาสังขารก็ได้แก่สภาพที่ปรุงแต่งจิตนี้ให้คิดดีบ้างคิดชั่วบ้างคิดไม่ดีไม่ชั่วบ้างนี่ลักษณะของสังขารที่เกิดขึ้นกับจิตใจนี่นะ อันนี้ท่านเรียกว่าสังขารธรรมเอาสังขารโลกวะนี้สังขารโลกได้แก่ร่างกายทุกส่วนนี่แหละเป็นสังขารโลกเป็นที่อาศัยของดวงกิดนี่บะนี้สังขารโลกภายในอันเนี้ยสังขารโลกภายนอกได้แก่ดินน้ำไฟลมต้นไม้ใบหญ้าอสัต์สิ่งที่ไรฉานต่างๆหมู่นั้นที่อาศัยอยู่ในโลกอันเนี้ย อันนั้นท่านเรียกว่าสังขารโลกสังขารทั้งหมดนี่กรล้วนจะเป็นของไม่เที่ยงมีเกิดขึ้นแล้วก็แปรปรวนแจกดับไปสังขารที่ปรุงแต่งให้คิดดีคิดชั่วคิดนดีวิชั่วนี่ก็มันก็ไม่เที่ยงเหมือนกันคิดขึ้นแล้วก็ดับไปคิดขึ้นแล้วก็ดับไปอยู่อย่างนั้นเลยเวียนญาณความรู้แจ้งทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกาย ทางใจในรวมเรียกว่าวิญญาณนะอวิญญาณเหล่านี้ก็อาศัยใจถ้าไม่มีจิตดวงนี้แล้ววิญญาณตาเป็นต้นก็มีไม่ได้ให้สังเกตดูเวลาจิตนี้มันถอนออกจากร่างนี้ไปแล้วตาก็มองไม่เห็นหูก็ไม่ได้ยินเสียงอะไรจมูกก็ไม่รู้สึกกลิ่นเหม็นกลิ่นหอมเลยลิ้นก็ไม่รู้จักรส อร่อยหรือไม่อร่อยร่างกายอันนี้ก็ไม่รู้จักสัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็งอะไรเลยเนี่ยเพราะฉะนั้นจึงให้เข้าใจว่าวิญญาณก็เป็นอาการของจิตแล้วพอวิญญาณนี่ก็มาใสายรูปนี้อยู่ที่นี่เมื่อรูปนี้มันวิบัติลงวิญญาณก็วิบัติไปตามกันเมื่อรูปนี้มันวิบัติลงอย่างคนใกล้จะตาย ธาตุไฟมันค่อยดับมาโดยลำดับดับตั้งแต่บนทิสะลงมาหาหน้าอกดับตั้งแต่พื้นเท้าขึ้นมาหาหน้าอกส่วนใดที่ธาตุไฟมันดับไปแล้วความรู้สึกไม่มีแล้ววิญญาณอาศัยอยู่ไม่ได้แล้วมารวมกันอยู่ที่หน้าอกนี่แห่งเดียวพอจิตได้ถอนออกจาก หน้าอกเนี่ยจากหัวใจเนจากธาทยวัตถุเนี่ออกไปแล้วก็ความรู้สึกในกายนี่หมดสิ้นลงไปเลยความอบอุ่นอะไรก็มดเลยตัวก็เย็นชีดแบบนี้เนี่ยวิญญาณลักษณะของวิญญาณมันไม่เที่ยงอย่างนี้เลยอะนั้นเราต้องพิจารณาดูให้มันรู้ให้เห็น เมื่อรู้จักลักษณะอาการแห่งขันห้านี่แล้วก็สรุปลงว่าขันห่านี่ก็เป็นอนิจจังทุกขังอ น, นัตตาเลยวะนี่นั่นก็ไม่ใช่ตัวตนเราเขาอะไรอ่ะเพียงจะมาอาศัยอยู่ชั่วคราวอาศัยอยู่ชั่วที่บุญบาปที่ตามมารักษารูปนามันนี้ไว้ตอนนั้นแหละพอบุญบาปนั้นหมดลงรูปนามอันนี้ก็ตั้งอยู่ไม่ได้เลยแตกดับทําลายลง เมื่อรู้ชัดตามเป็นจริงอย่างนี้แล้วก็ปล่อยวางนะปล่อยวางไว้อย่าไปถือมั่นไวน้วะนี้ปล่อยวางไม่ต้องคิดไม่ต้องวิตกวิจารอะไรต่อไปอีกก็เรารู้แล้วไม่ใช่ของเราแล้วก็วางเลยพอวางแล้วสัญญาอารมณ์เทั้ไหลามันก็ดับไปหมดความมิตกวิจารต่างๆก็ระงับลงก็เหลือแต่งานความรู้อย่างเดียวอยู่ในจิต อันเป็นปัจจุบันนี่พร้อมด้วยสติเป็นอันว่าจิตก็รวมใหญ่ลงไปแบบนี้เมือ่อหลังจากที่ใช้ปัญญาค้นคว้าพิจารณาขันห้านี่โดยละเอียดแล้ว อ, อลงไปแล้วแ น, นี้จิตไม่สงสัยในขันห้าแล้วรู้ชัดเลยว่าไม่ใช่ของเราจริงๆแบบนี้นะไม่ควรถือมั่นจริงๆ ควรปล่อยควรวางจริงๆเมื่อมันเห็นแจ้งลงไปอย่างนี้มันก็รวมลงได้แล้วมันมันไม่เกาะไม่คล้องกับอะไรแล้วมันก็รวมลงเป็นหนึ่งลงได้อือจิตที่รวมลงแบบนี้นะ่ะมันรวมลงอยู่ด้วยญาณญาณก็บังเกิดขึ้นญาณความรู้ยิ่งอันนั้นนะมันก็บังเกิดขึ้นนะรู้สังขารทั้งหลายเหล่านี้ เป็นของไม่เทียงไว้ย่งยืนรู้อยู่อยู่กับที่เลยรบันี้นะมไม่ได้ไปค้นคว้าแล้วรู้ว่าธรรมทั้งหลายที่เป็นกุศลเป็นอกุศลเป็นอภยากตาธรรมเรานี่ล้วนจะเป็นอนัตตามดมไม่ใช่ตัวตนเราเขาอะไรแล้วนี่แหละพระอ ร, ะระหันต์ทั้งหลายนะั้นท่านจึงละทั้งบุญละทั้งบาปเลยวบันี้นะ เพราะว่ามันไม่ใช่ของเรานี่ไม่ใช่ตัวตนอะไรเลยอย่างนี้นะท่านกุลละท่างบุญละท่างบาปอา้าวอาแล้วล ะ, ละบุญแล้วจะเอาความสุขมาแต่ไหนอา้าวเมื่อละเมื่อไม่เมื่อไม่ละบุญก็ชื่อว่าไม่ละบาปเหมือนกันนะเพราะบุญบาปมันเป็นคู่กันอนะ่าถ้าถ้ายังมีบุญอยู่อาต่อไปมันก็มีบาปแทรกเข้ามาอยู่นั่นแหละ เหมือนอย่างคนที่เกิดมาในโลกนี่นะลองสังเกตดูทุกคนก็มีบุญนั่นแหละมาตกแต่งร่างกายนี้ให้อย่างที่ว่ามาแล้วนั่นแหละแล้ววันนี้บางทีไ ป, ไปแล้วจิตใจเผลอเข้าไปมันก็คิดเป็นบาปขึ้นมามันก็แสดงอาการบาปออกมาทางกายทางวาจาเบียดเบียนบุคคลอื่นสัตว์อื่นเข้าไปเนี่ยเพราะฉะนั้นจึงว่าเมื่อมีบุญนี่มันก็มีบาปแทรกอยู่นั่นแหละ ต่างแต่ว่าคันท่ บ, บุญหลายกว่าบาปบาปมันก็บันเทาลงไปเท่านั้นเองหรอกแต่จะให้มันขาดลงไปจริงๆมันขาดไม่ได้ทีนี้เมื่อท่านผู้รู้ทั้งหลายท่านละทั้งบุญได้แล้วก็เป็อนอันว่าละบาปเต็มหมดเลยวันนี้ อ, อก็ยังเหลือแต่ความบริสุทธิ์ของดวงขิตนี้เท่านั้นเองเออเมื่อละบุญละบาปได้หมดแล้วก็ละกิเลสได้หมดท่านก็เรียกว่าพานิพาน เพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อได้สดับธรรมะบรรยายดังแสดงให้ฟังมานี้แล้วก็ขอให้พากันน้อมเข้าไปคิดไปพิจารณาหากเห็นว่าเป็นทางพ้นทุกข์ได้จริงก็จงลงมือประพฤติปฏิบัติตามด้วยความไม่ประมาทก็หวังว่าคงจะได้บรรลุถึงความสุขอันเป็นแก่นสารโดยแท้จริงดังแสดงมา